พอมีเรื่องทะเลาะเบาแว่งกันจะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้เต็มปากนะเพราะว่าการที่จะทะเลาะกันได้นี่ก็ต้องมีสองคนสองฝ่ายร่วมทะเลาะเบาแว่งกันด้วยนะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ร่วมทะเลาะเงียบเสียไอการทะเลาะวิวาสก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ที่จริงเราสำนวนนี้ก็ยังสามารถจะามาใช้ได้กับ สิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ไม่ว่าทุกข์กายหรือทุกข์ใจมันก็มีเหตุมีสองปัจจัยอยู่เสมอแต่คนนี้นะ่ยที่จะที่เป็นประเด็นสําคัญนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องทุกข์ใจให้ทุกข์กายนี่ไม่ใช่เป็นปัญหาของคนสมัยนี้เท่าไหร่นักยกเว้นคนที่เจ็บคนที่ป่วยแต่ทกคนปกติแล้วนี่ ความทุกข์ใจน่ะเป็นปัญหาใหญ่และความทุกข์ใจก็เช่นเดียวกันนะมันก็ต้องประกอบด้วย2เหตุสองปัจจัยเสมอได้แก่ปัจจัยภายนอกนะกับปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกอาจจะเช่นคําต่อว่าด่าทอหรือว่าการคดโกงการกลั่นแกล้งอันนี้ก็ ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ใจแต่ว่าเพียงแค่นี้นะมันยังไม่ถึงกับทำให้ทุกข์ใจได้นะจนกว่าจะมีปัจจัยภายในเข้าไปร่วมสมทบด้วยเช่นคำต่อว่าดาทอเขาจะพูดอะไรไปถ้าใจเราไม่เอาไปคิด ข้าวหูซ้ายทะลุหูขวาความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นไม่ได้ความโกรธความขุนเคืองใจก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ที่มันเกิดขึ้นได้เพราะใจนี้เอาไปคิดนะบางทีเขาพูดผ่านไปแล้วเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ยังมีความเจ็บแค้นอยู่อันนี้เพราะใจเนี่ยมันไปจับฉวยไปหัวระลึกนะถึงถ้อยคาหรือการกระทา เหล่านั้นก็เลยเกิดความแค้นเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาหรือมีคนคดโกงนะขโมยเอาเงินของเราไปหรือว่าเอาทรัพย์สินเงินทองของเราไปถ้าเราไม่นึกถึงเหตุการณ์นั้นก็ไม่ทุกนะแต่พอนึกถึงเมื่อไหร่ก็เกิดความเสียดายเกิดความอาลัยเกิดความแค้นเคือง หรือว่าถ้าเราไม่มีความยึดติดในสิ่งของนั้นนะเขาจเจาไปเราก็ไม่รู้สึกทุกข์แต่เป็นเพราะใจเราเนี่ยนะมันมีส่วนเข้าไปร่วมด้วยจะเป็นความยึดติดก็ดีจะเป็นความหวนคิดหวนอะไรก็ดีหวนนึกถึงก็ดีก็ทำให้เกิดความเจ็บปวดขึ้นมาแต่ถ้าไม่นึกถึง กำลังดูหนังกำลังฟังเพลงก็ไม่รู้สึกทุกข์อะไรนะแต่พอเลิกฟังเพลงพอเลิกดูหนังก็ไปคิดมันอาปวดทุกข์เสียใจอะไรนี่จะได้ว่าความความคิดหรือจิตใจของเราเนี่ยมันก็เป็นส่วนร่วมเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งนะที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเรามีความทุกข์ใจเนี่ย อย่ามองหรืออย่าโทษแต่สิ่งภายนอกอย่างเดียวอย่ามองหรืออย่าโทษแต่สิ่งข้างนอกอย่างเดียวนะจิตใจของเรานะหรือการกระทําที่เรียกว่ามาโนกรรมก็มีส่วนมันก็เหมือนกับก้อนหินนะนะก้อนหินมันหนักแค่ไหนถ้าเราไม่ไปแบกมันนะเราก็ไม่รู้สึกทุกข์แต่อย่างใดไม่มีความเหนื่อย ไม่มีความร้านะแต่ที่เหนื่อยเพราะอะไรที่ทุกข์เพราะอะไรเพราะไปแบกมันใช่ไมนะก้อนหีนนี่คือปัจจัยภายนอกนะแต่ว่าการเข้าไปแบกมันเนี่ยนะก็คือปัจจัยภายในแบกที่ว่านี่ไม่ได้แบกด้วยด้วยมือนะแต่เป็นการแบกที่ใจให้ความทุกข์ที่สร้างความที่เป็นความหนักอกหนักใจหรือความขุ่นเคือง ความเศร้าโศกความอาลัยเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการที่เราไปแบกก้อนหินเอาไว้มันจะมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมันก็ไม่ทําให้เราทุกข์ได้จนกว่าใจเราจะไปแบกไปยึดไปถือมันเอาไว้ตรงนี้แหละเป็นไซต์แห่งทุกข์ที่มักจะถูกมองข้ามไป ทจริงอย่าว่าแต่ทุกใจเลยนะทุกกายเช่นความเจ็บป่วยเนี่ยก็เหมือนกันซองบุหรี่จะมีข้อความเขียนว่าบุหรี่นะทำให้เป็นมะเร็งอันนี้ไม่มีใครเถียงนะแต่ถ้าพิจารณาให้ดีนะบุหรี่มันจะทําให้เป็นมะเร็งได้ก็ต่อเมื่อสู่มันเพียงแค่ค่าบรรไว้นี่มันไม่ทําให้เป็นมะเร็งนะฆ่าบรรไว้แล้วนี่แล้วก็จุด บุหรี่สูบด้วยเนี่ยถึงจะเป็นมะเร็งถ้าเราไม่จุดบุหรี่สูบนะเพียงแค่คาบเอาไว้มันก็ไม่มีทางทาให้เราเป็นมะเร็งได้การจุดบุหรี่สูบเนี่ยก็คือการยินยอมคือการอนุญาตให้มันเข้ามาทำร้ายร่างกายของเราเป็นการยินยอมให้มันมีอานาจเหนือเรานะสามารถจะบงการชีวิตของเรา คือชี้เป็นชี้ตายได้ถ้าเราสูบบ่อยๆสูบนำนานแต่ถ้าเราถือเอาไว้แต่ไม่สูบหรือแม้แต่คีบเอาไว้ไม่สูบใส่ปากไม่หรือแม้แต่คาบเอาไว้ไม่จุดเนี่ยมันก็ไม่มีอำนาจเหนือเรามันก็ทำอะไรเราไม่ได้งั้นจะจะโทษว่า บ, บุรีทำให้เป็นมะเร็งนี้ก็ยังพูดไม่ถูกนะบุรีจะเป็นจะเป็นโทษเป็นภัยทาให้เป็นมะเร็งได้ก็ต่อเมื่อเราสูบมัน คำต่อว่าด่าทอก็เหมือนกันนะทำมาแล้วเราไม่ได้นะจนกว่าเราจะคิดถึงมันจนกว่าเราจะหัวเราะลึกถึงมันนะการคิดถึงมันการเระลึกถึงมันนะก็คือการยินยอมหรืออนุญาตให้มันเข้ามาทำร้ายจิตใจของเรางนั้นถ้าเรามองพิจารณาให้ดีๆนะไม่มีใคร ขโมยความสุขไปจากเราได้เบี้ยเสียแต่เราจะยินยอมนะไม่มีใครทำให้เราทุกข์ได้หรือไม่มีอะไรทำให้ไม่มีสิ่งใดทาให้เราทุกข์ได้จนกว่าเราจะยินยอมหรืออนุญาตถ้าเราไม่ยินยอมไม่อนุญาตนะมันก็ทำแล้วเราไม่ได้เหตุการณ์ต่างๆที่เขาเรียกว่าเคราะห์เหตุร้ายนะ การกลั่นแกล้งคําต่อว่าด่าทอการคดโกงการหักหลังนะอย่างมากก็ทําให้เสียทรัพย์แต่ว่าไม่ทําให้ใจเป็นทุกข์ได้จนกว่าเรานะจะยินยอมร่วมมือด้วยอาจารย์ชาซโลได้พูดไว้น่าสนใจนะบอกว่าไม่มีใครหรืออะไรจะทําจะมาบังคับให้เราทุกข์ได้มันมีแต่สิ่งที่มา ชวนให้เราทุกชวนให้เราไม่พอใจเมื่อเขามาเชิญเรามันก็อยู่ที่ว่าเราจะรับคำเชิญหรือเปล่าถ้าเขามาเชิญให้เราทุกชวนให้เราไม่พอใจและเรารับคำเชิญนั้นก็แสดงว่าเราก็มีส่วนร่วมด้วยนะจึงบอกว่าไม่มีใครขโมยความสุขระจากเราได้เป็นเชตแต่เราจะยินยอมหรือว่ารู้เห็นเป็นใจ ไม่มีใครทําให้เราทุกข์ได้จนกว่าเราจะอนุญาตให้เขาหรือสิ่งนั้นมาสร้างความทุกข์ให้กับเราบุหรี่ทาให้เราเป็นมะเร็งไม่ได้ถ้าเราไม่สูบหรือไม่จุดมันคำตอว่าดาทอหรือการกระทำที่เจ็บปวดนะอาจจะเปรียบได้กับเศษแก้วที่แหลมคมหรือว่าเข็มถ้าวางไว บนฝ่ามือของเรามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีความเจ็บปวดไม่มีการบาดให้เกิดเลือดออกแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไปก ร, ร ม, มันเอาไว้ก ร, รมแล้วก็บีบกรรมแล้วก็บีบเข็มหรือว่าเศษแก้มก็จะบาดมือบาดนิ้วเราแล้วเมื่อเป็นชนนั้นแล้วนี่จะโทษใครดีนะ จะโทษเข็มจะโทษเศษแก้วหรือว่าจะโทษตัวเรานะีที่ไปกำแล้วไปบีบมันเอาไว้เศษแก้วก็มีส่วนนะเข็มก็มีส่วนนะแต่ว่าปัจจัยหลักอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละที่เราไปบีบมันทําไมไปกำ ม, มันไว้ทําไมที่จริงไม่เป็นต้องแบรหรือถือไว้ในมือก็ได้เพียงแต่เราคว้ามือนะมันก็ตกเขาปล่อยวางคือนนี้แหละนะปล่อยวาง ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรายิ่งมันเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะเราไม่เอาไม่เอามานึกถึงนะทําอะไรเราไม่ได้เหมือนกับมีก้อนหินแต่เราไม่แบกมันมันก็ไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเหมือนกับน้ําแหลมเศษแก้วที่อยู่บนพื้นถ้าเราไม่ไปเดินเตะหรือไปเดินเหยียบก็ไม่มีความเจ็บปวดไม่มีบาดแผล เราจะไปเรียกร้องให้ก้อนหินกลายเป็นปุ๋ยนุ่นเนี่ยทำไม่ได้นะเราจะพยายามทำให้หนามแหลมเนี่ยกลายเป็นหนามที่ทื่อมันก็ทำไม่ได้แต่สิ่งที่เราสามารถทำได้คือว่าไม่ไปอุ้มไม่ไปแบกมันเอาไว้หรือไม่ไปเดินเตะมันนะแต่ทำไมถึงไปเดินเตะมันทำไมถึงไปไปแบกมันเอาไว้นะ ทั้งๆ ท, ที่แบกแล้วก็ทุกข์เหนื่อยเดินเตะมันก็เจ็บก็เพราะว่าเผลอนะเผลอไปแบกเอาไว้เผลไเอลปลไปเดินเตะของแหลมเผลอไปเดินเหยียบเศษแก้วบนพื้นนะเราก็รู้ว่าคิดถึงการกระทำที่ไม่ดีของใครบางคนเมื่อไหร่ก็ทุกข์ใจเมื่อ น, นั้นหรือคิดถึงคําพูดของเขามันก็เจ็บใจเมื่อ น, นั้น แต่ก็ยังคิดอยู่แล้วอคิดแล้วคิดอีกหรือว่านึกถึงอยู่นั่นแหละจนกินไม่ได้นอนไม่หลับทั้งท้งที่ทุกข์ทั้งท้งที่เจ็บปวดแล้วลทําไมยังยังนึกถึงมันก็พเพราะเผลอนะไอ้ความเผล อ, อนี่แหละหรือความลืมตัวนี่แหละนะมันเป็นตัวการสําคัญเลยนะที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาใจไม่ได้ก็ตามที่เรามีสติไม่ได้ก็ตามที่เรามีความรู้สึกตัว เราไม่ลืมตัวใจมันก็จะไม่ไปเก็บเอาเหตุการณ์เหล่านั้นเรื่องราวเรานั้นมาทิมแทงใจเมื่อใดก็ตามที่เรารู้ตัวเราก็จะไม่ไปอุ้มหรือแบกขินเอาไว้หรือว่าแม้จะเผลอไปแบกมันเอาไว้แล้วแต่พอรู้ตัวเมื่อไหร่เราก็วางมันลงเลยให้ความ ลืมตัวนี่มันทำให้เราทำสิ่งที่เป็นภัยเป็นทัทวกับตัวเองนี่เยอะนะที่เห็นได้ง่ายคือคนที่ลืมตัวแล้วก็ไปหมกมุ่นกับใาบามุกนะการพ น, นันหรือว่าเหล้าหรือยาพวกนี้ก็ลืมตัวนั่นแหละมันยั่วยวนหรือว่าหลงไหลในรสชาติความอ ร, อร่อยของมันพอมันมาใกล้ๆนะก็ลืมตัว แตแล้วก็มาเสียใจภายหลังแต่นั่นเป็นอบายมุกซึ่งพวกเราหลายคนก็มีสติรู้ทันนะไม่ไปคล้องเกี่ยวแต่ก็ยังเผลอปล่อยให้เหตุการณ์ร้ายๆมันเข้ามาทิมแทงใจปล่อยให้การกระทําของใครบางคนคำพูดของใครบางคนมาทิมแทงจิตใจ เรียกว่าเรานะเป็นเพราะเราลืมตัวนะจึงปล่อยให้หรือยินยอมให้มันเข้ามาทําร้ายจิตใจของเรายเย่ยความทุกข์ให้กับเราการมีสติความรู้ตัวหรือความรู้สึกตัวจึงเป็นสิ่งสําคัญมากนะที่จะทําให้จิตใจเรานะไม่ถูกความทุกข์ครอบงำทาให้ใจเราเป็นปกติเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติเราก็จะไม่เผลอคิดไปถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้ว หรือไม่ไปนึกถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงซึ่งทําให้เกิดความวิตกกังวลน่าลองพิจารณาดูนะความทุกข์ใจของเราส่วนใหญ่นะมันก็มักจะนี้ไม่พ้นใจที่หวนนึกถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือไปนึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วพอนึกถึงก็เสียใจโกรธแค้นรู้สึกผิด เรื่องที่เอามาไม่ถึงพอนึกถึงทีไรก็เกิดความกังวลเกิดความกลัวเกิดความวิตกเกิดความผวาวงนะ <c oughs> ทุกคนจำนวนมากก็วนเวียนอยู่กับเรื่องเหล่านี้แหละซึ่งมันก็จะนีไม่พ้นจากการที่ใจนะไปอยู่กับอดีตหรืออนาคตถามว่าตั้งใจไหมนะส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าไม่ตั้งใจแต่มันเผลอไปนะเผลอไป แล้วก็ห้ามใจไม่อยู่อันนี้เราไม่มีสติใจไม่ก็ตามที่เรามีสตินะดึงจิตกลรมมาอยู่กับปัจจุบันมีความรู้สึกตัวไม่ปล่อยใจไหลไปอดีตไม่ปล่อยใจให้ลอยไปอนาคตแล้วก็ไม่ปล่อยใจให้จมอยู่ในอารมณ์ที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งเราก็จะเป็นปกตินะ ใจก็จะเบาโปร่งโล่งสบายในการอยู่กับปัจจุบันนะมันเป็นมันเป็นสิ่งสําคัญมากเลยในการที่จะทําใ ห, ให้ความทุกเนี่ยไม่มารบกวนรังควานเราอย่างถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้ใจเราอยู่ตรงนี้นะสนใจจดจ่ออยู่คําบรรยายนะคอับมาไม่เป็นนึกถึงลูกหลานที่บ้านไม่ไปนึกถึงพ่อแม่นะที่กําลังจะป่วย หรือนึกถึงงานที่ค้างคารอการชําระสาสางของเราเราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องทุกข์นะแต่ใจมันพอไม่มีสติเมื่อแหลกก็เผลอไปยึดเอาเรื่องราวในอดีตไปยึดเอาสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าปรุงแต่งไปต่างๆนานาในทางเลวร้ายเส ม, มือนกับว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วเนี่ยก็เลยทุกข์ทันทีอันนี้เรียกว่ายึดนะ ทุกเพราะยึดทุกเพราะไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จั ก, กวางอดีตกับอนาคตและที่ยึดไปเพราะไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวความทุกข์อีกอย่างหนึ่งนะถ้าเรามองไปให้ลึกนะจะพบว่าที่มันทุกข์เพราะมันมีความยึดอีกประเภทหนึ่งเช่นยึดว่ามันเที่ยงของที่มันเสื่อมันเสียเงินทองที่าหายไปเราทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะว่าเรา ลึกๆเรายึดนะเรายึดว่ามันมันต้องเที่ยงมันต้องอยู่กับเราไปตลอดเวลาเจ็บเวลาป่วยทําไมเราถึงทุกข์ใจไม่ใช่แค่ทุกข์กายนะพราะเรามีความมีการยึดอยู่ลึกๆว่ามันต้องหนุ่มต้องสาวนะมันต้องเที่ยงมันต้องจรังพอมันแสดงความไม่จรังออกมาเช่นความเจ็บความป่วยหรือว่าความแก่ความชรา ผมงอกนะผิวตกกระเหี่ยวย่นนะทนั้งที่อาจจะไม่เกิดทุกขเวทนาทางกายนะแต่ว่ามันเกิดความทุกข์ทางใจแล้วนี่ก็เป็นเพราะความยึดนะที่เขาต่อว่าด่าทอแล้วเราทุกข์นะก็เพราะมันมีความยึดนะยึดในหน้าตาในศักดิ์ศรียึดในภาพลักษณ์ของตัวเองว่าต้องดีนะ ถ้านะลองดูเธอนะในบรรดาความทุกข์ทั้งปวงนะที่เป็นความทุกข์ใจเนะี่ยถ้าเราลองสาวไปให้ลึกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยึดอดีตยึดอนาคตนะแต่ว่ามีความยึดว่ามันต้องเที่ยงมันต้องจีรังหรือว่ายึดว่าเป็นเราเป็นของเรานะเงินหายทำไมถึงทุกข์นะเพราะายังมีความยึดว่าเป็นของเราอยู่อะไรที่ไม่ใช่ของเรานะมันจะหายไปมันจะเสื่อมไปแล้วก็เฉยๆทรัพย์สินของทางราชการนะ ถ้าเราไม่ยวดเป็นของเรานะมันจะเสื่อมสลายไปแล้วก็เฉยเฉยหรือว่าเงินทองรถยนต์ของเพื่อนเรานะหายไปถูกขโมยไปแล้วก็เฉยเฉยนะเพราะว่าเราไม่มีเราไม่ได้ยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเว้นเสียแต่ว่าเรารักเพื่อนคนนั้นมากนะก็จะรู้สึกเดือดร้อนแทนแต่ถ้าเป็นคนไกลตัวเราไม่เดือดร้อนด้วยเพราะว่ามันไม่มีความยึดว่าเป็นเราเป็นของเรา เพราะฉะ น, นี้เราลองดูให้ดีนะมันในในมันนใอความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะมันจะมีเรื่องความมันจะมีสาเหตุมาจากความยึดติดถือมั่นในลักษณะนี้อยู่เสมอเช่นยึดว่าเที่ยงนะยึดว่าต้องจีรังยั่งยืนแล้วก็ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เที่ยง มันไม่มีอะไรที่จีรังมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยความจริงอันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่มักมองไม่เห็นหรืออาจจะอาจจะยอมรับอยู่บ้างเช่นก็พอยอมรับนะว่ามันไม่ใช่ของเราจริงๆเพราะเวลาตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างของทั้งหมดที่เป็นของเราหรือว่าระบุว่าเป็นชื่อของเรานะ มันก็ต้องเป็นของคนอื่นอันนี้ก็รู้อยู่แต่แต่ว่าใจมันก็ยังมีความยึดยังมีความหวงแหนว่าเป็นของเราแต่ถ้ามันเป็นของเราจริงนะมันก็ต้องอยู่กับเราไปจนตายหรือว่าตายไปแล้วก็ยังเอาไปได้หรือระหว่างที่อยู่กับเราก็ยังสามารถบังคับบัญช้มันเป็นให้มันเป็นไปตามใจเราได้อะไรที่เป็นของเราเราต้องสั่งได้ต้องบัญชาได้นะแต่เราก็รู้ ว่าไม่มีอะไรที่สรัพสมบัติทั้งปวงของเราไม่มีอะไรที่จะสั่งบัญชาให้มันเป็นไปตามใจเราเดือเราได้เลยเช่นสั่งให้มันไม่เสื่อมไม่เสียไปก็สั่งไม่ได้แม้กระทั่งร่างกายนี้จะสั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เหนื่อยก็สั่งไม่ได้กระทั่งจิตใจของเราจะสั่งให้ไม่เครียดนะสั่งให้ไม่โกรธก็สั่งไม่ได้สั่งให้สบายสั่งให้สงบก็สั่งไม่ได้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นของนอกกายหรือว่า ร่างกายที่อยู่กับเราแล้วก็ทั้งจิตใจมันก็ไม่ใช่ของเรานะีอันนี้คือความจริงที่เลวศัตรจะทำแต่เป็นเพราะเราไม่เห็นความจริงตรงนี้นะไม่ตระหนักเราก็เลยยึดนะว่าอะไรก็ตามที่เป็นของอาบ้าอะก็ตามที่ที่มีอยู่รอบตัวเราหรือร่างกายนี้มันจะต้องเที่ยงจะต้องจีรังทุกสิ่งทั้งปวงนี้ก็ไปเรียกว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้เรียกว่า ยึดติดถือมั่นเพราะอาวิชชานะการจะปล่อยจะวางได้เนี่ยนะสติอย่างเดียวไม่พอละมันต้องใช้ปัญญาเอ็นใจได้ว่าเนี่ยปัจจัยภายในที่ทาให้เกิดความทุกข์ใจเนี่ยนะมันก็หนีไม่พ้นนะความยึดติดถือมั่นซึ่งมีสองลักษณะใหญ่ๆนะก็คือเช่นยึดติดเพราะยึดติดถือมั่นเพราะไม่มีสติ ลืมตัวนะก็ไปยึดเอาอาดีตที่ผ่านไปนแล้วมาไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางหรือไปยึดติดพวงกับอนาคตที่ยังไม่ไมถึงอันนี้เรียกว่ายึดเพราะไม่มีสติเพราะไม่มีความรู้สึกตัวเพราะลืมตัวยึดอีกประเภทหนึ่งซึ่งมันลึกซึ้งยิ่งกว่าประเภทแรกคือยึดเพราะมีอวิชชานะจะปล่อยจะวางได้นี่ต้องมีปัญญา จนกระทั่งเห็นว่าเออไม่มีอะไรที่มันจิรังยั่งยืนทุกอย่างรู้แล้วแต่แปรเปลี่ยนเลื่อนหลายไปแล้วไม่มีอะไรที่เป็นของเราไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราเลยแม้แต่น้อยนะการเห็นอย่างนี้แหละนะ่เรียกว่ามีปัญญาทำให้ไม่หลงนะสติถ้าไม่มีสติก็ทำให้ลืมตัวพอลืมตัวแล้วก็ไปไปจับฉวยความทุกมา เล่นงานจิตใจนะไปปล่อยให้ไปยินยอมให้เหตุการณ์ที่เลวร้ายซึ่งเป็นอดีตไปแล้วนี่มาทิ่มแทงใจเราบีบคั้นใจเราจะแก้ตรงนี้ได้ก็ต้องมีสติมีความสึกตัวมีความรู้ตัวขึ้นมาส่วนความยึดเพาะเพราะอวิชานี้จะเรียกว่ายึดทอหลงก็ได้นะ มันก็ต้องมีปัญญาเข้ามาช่วยถ่ายถอนนะให้เกิดการปล่อยการวางอาการปฏิบัติธรรมของเรานะที่มุ่งไปสู่ความพ้นทุกเนี่ยนะมันก็มีอยู่นะมันก็มุ่งที่ทำให้เรามีสติมีความรู้สึกตัวขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้อยู่กับปัจจุบันให้เป็น นะไม่ปล่อยใจให้หลายไปอดีตหลงไปอนาคตนะหรือว่าจมอยู่ในอารมณ์เมื่อใดก็ตามที่ใจจมอยู่ในอารมณ์หรือความคิดนะก็มีสติรู้ตัวถอนจิตออกมานะการที่มีสตินะเห็นความเป็นไปเห็นอาการของใจมันจะช่วยทำให้เราได้เห็นความจริงของใจ ที่ลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นว่าโอ้ใจรวมทั้งกายด้วยนี่นะมันมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วมันก็เป็นทุกข์ด้วยตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วก็จะทำให้การวางนะการวางชนิดเรียกว่าสิ้นเชิงเนี่ยเกิดขึ้นได้เรียกว่าไม่ไป แ, แบกหิน นะไม่ไปเตะเอานาำแหลมหรือไม่ไปเหยียบเศษแก้วต่อไปหรือถ้าจะเทียบใ ห, ให้ให้ง่ายกว่านั้นนะก็เหมือนกับว่าเรากินปลานะปลาเนี่ยมันก็มีทั้งเนื้อที่อร่อยแล้วก็มีทั้งก้างที่แหลมคมคนที่กินปลาไม่เป็นนะก็ อาจจะเพลิดเพลินในในเนื้อปลาเสร็จแล้วก็โดนก้างตําคอนะก้างทิ่มปากนะอันนี้ก็เปรียบได้คนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆนะทั้งรูปธรรมและนามธรรมจะเกี่ยวข้องไม่เป็นเพราะมองไม่เห็นว่ามันมีโทษอย่างไรบ้างเห็นแต่ว่าหรือเพลินกับข้อดีของมันเช่นเงินทองทรัพย์สมบัติก็เห็นแต่ข้อดีของมัน ชื่อเสียงกิติยศก็เห็นแต่ข้อดีของมันว่ามันทำให้มีความสุขทาให้ชีวิตมีรสชาตินะแต่ว่าไม่ได้ตระหนักว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ก็เจอไปด้วยโทษเงินให้ความสุขแกเราก็จริงแต่ก็สามารถให้ความทุกข์บเราได้รถจนให้ความสุขแกเราก็จริงแต่ก็สามารถทำให้เกิดความทุกข์แกเราได้เช่นต้องะวงถึงมันต้องคอยดูแลรักษามัน หรือว่าพอมันหายไปก็เศร้าโศกเสียใจอันนี้แหละคือโทษหรือว่าทุกข์ที่แฝงอยู่ในสิ่งต่างๆที่ผู้คนหลงไหลแต่คนส่วนใหญ่ก็หลงไหลแต่ข้อดีของมันหลงไหลแต่สิ่งที่สิ่งดีๆที่มันให้กับเราแต่มองไม่เห็นถึงโทษภัยที่ซุกซ่อนอยู่ก็เหมือนกับ ก, กินปลานะแต่ว่าไม่ได้ตระหนักว่ามันมีก้างที่สามารถจะทิ่มแทง ปากหรือคอเราได้แต่คนที่เขาเห็นโทษของสิ่งต่างๆว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกิตติยศหรือแม้กระทั่งร่างกายนี้ที่ให้ความสุขแก่เราให้ความสบายแก่เรามันก็มีโทษเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องอย่างรู้เท่าทันหรือระมัดระวังก็ทําให้มันไม่สามารถจะทําร้ายได้กินปลาก็ ก็ได้ทั้งเนื้อแต่ก็ระวังไม่ให้กลางป่ามันทิ่มคอรหรือแทงปากได้อันนี้เรียกว่าพ่อมีปัญญานะเปรียบได้กับผู้ที่มีปัญญาที่เห็นว่าเห็นความจริงขงสิ่ง ต, งต่างว่ามันมีทั้งคุณและโทษนะและที่จริงแล้วสิ่งต่างก็ล้วนแล้วแต่เจียวไปด้วยโทษทั้งนั้นก็เรามัตระวังเกี่ยวข้องนะไม่ไปแบกไม่ไปยึดถือมันเอาไว้อย่างพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าที่ท่านก็เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆนะ ใครถวายอาหารที่ประณีท่านก็ฉันใครถวายจีวรที่ประณีตท่านก็ห่มแต่ท่านก็ไม่ยึดติดถือมั่นกับมันภัสสิวรีภัสสิวรีเนี่ยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเอตทักขะด้านโชคลาภเหนือกว่าพระพุทธเจ้าสิ่งหนาะภัสสิวรีเนี่ยเวลาพระเจ้าจะเสด็จไปทางไหนที่ไม่แน่ใจว่าจะมีอจะมีปัจจัยสี่จะมีอาหารหรือไม่ อย่างเช่นคราวหนึ่งท่านไปจะไปจะไปเยี่ยมน้องชายของพศศระสายรรบุตรนะก็จะว่าชื่อพระเรวัตตะซึ่งอยู่ในป่าก็มันมีทางแยกสองทางทางหนึ่งไกลนะแล้วก็มีชุมชนอยู่สองข้างทางอีกทางหนึ่งเข้าไปในป่าลึกเป็นทางใกล้แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีชุมชนอยู่หรือเปล่า กูเจ้าก็สงก็ไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนดีก็ถามถามพระสิวิรีว่าสิวิรีมากับเราด้วยไหมนะก็ได้คําตอบพระสิวิรีมาด้วยกูเจ้าก็เลยตัดสินใจไปเส้นทางที่ทางลัดทางที่ไม่แน่ใจว่าจะทางที่มันเป็นทางที่ไม่มีผู้คนอาศัยเลยแต่แน่ใจว่าอา่าไม่อดแน่นะพอพระสิวิรีไปไหนนี่เจ้าก็จะมีคนมาถวายลาบสักการะให้ ก็ปรากฏว่าจริงตามนั้นนะเทวดาต่างๆก็เอาอาหารมาถวายนะอันนี้เซลในขนาดพระเสวีนี่ก็ถือว่าอาพระเจ้าอย่างพึ่งพานในเรื่องของลาบสักการะเลยแต่พระเสวีนี่ท่านไม่ยึดติดนะท่านไม่ยึดติดในในลาบสักการะก็ดังนั้นจึงไม่มีความทุกข์จะมีมากหรือมีน้อยก็ไม่ทุกขนะ์อันนี้ก็เป็นเรื่องพาระละหัน์นะแต่ว่าเรื่องของเรานก็ควรจะตระหนักว่า ให้ความทุกข์ใจทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับเราและที่จะเกิดขึ้นในานาคตเนี่ยให้พึงระลึกว่ามันไม่ได้เกิดจากคนอื่นไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกเท่านั้นแต่ว่ามันยังเกิดจากการที่เรายินยอมพร้อมใจด้วยยินยอมพร้อมใจให้ความทุกข์เหล่านั้นเข้ามาเล่นงานจิตใจเราจะบอกว่าฉันไม่ได้ยินยอมแต่ว่าเราไม่ยินยอมก็จริงแต่ว่าใจเนี่ยใจมันไปร่วมมือด้วย ใจมันไปเอออหอหมอกด้วยเช่นไปช่วยไปนึกนะถึงสิ่งที่มันผ่านไปแล้วไปช่วยไปนึกไปเก็บเอาถ้อยคำคำพูดที่เสียดแทงมาเล่นงานจิตใจตัวเองเพราะฉะนั้นให้เราตระหนักว่าถ้าหากว่าใจของเราเนี่ยไม่ได้รับการฝึกฝนนะไม่ได้รับการฝึกฝนให้ดีเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นศัตรูของเราได้ง่ายๆคือก็ไปช่วยเอาความทุกมา ชิมแทงตัวเราคือจิตใจและร่างกายอย่างที่บอกไว้แล้วว่าไม่มีใครยัดเยียดความทุกข์ให้กับเราได้ถ้าเราไม่ยินยอมเราในที่นี้ก็หมายถึงจิตใจนะถ้าจิตใจไม่ยินยอมหรือจิตใจไม่ร่วมมือด้วยและที่มันยินยอมที่มันร่วมมือเพราะมันไม่มีสติเพราะมันเพราะมันลืมตัวแล้วก็เพราะว่ามีอวิชชามีความหลงหนาทีขงเราก็คือถ้าเราไม่ต้องการมีความทุกข์ความงามจิตใจ ก็ต้องฝึกจิตให้มีสติมีสติเป็นคื่รักษาใจแล้วก็ฝึกฝนจิตใจจนมีปัญญาถ้ามีสติและปัญญาแล้วนะใการปล่อยการวางความทุกเนี่ยมันก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่ธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นเลยแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญานะี่นก็จะไปช่วยเอาความทุกมาเล่นงานตัวเราเจิตแทนที่จะเป็นมิตร ที่ประเสริฐก็กลายเป็นสัตรูที่น่ากลัวมากอย่างที่บอกไว้แล้วว่าโจรทำํำร้ายกันหรือว่าคนจองเวรกันนะก็ยังสร้างความชิบหายได้น้อยกว่าจิตที่วางเอาไว้ผิดเพราะฉะนั้นเวลาเรามีความทุกข์นี่ก็อย่าไปโทษสิ่งอื่นมากนะจนลืมมองดูจิตใจของเราว่ามันเป็นต้นต่อนะหรือว่ามันให้ความร่วมมือมันยินยอมมันอรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่าอคำเดียวพูดแคเท่านี้นะอะกราบครับ